นั่งตามสบายเนาะน้องปั้นมือก็ได้เดี๋ยวพาพูด น, ะนานนะครบนเป็นบาปอีกนั่งก็นนั่งตามสบายมีที่มีคนกระซิบว่าบอกหลวมพอ่อสั้นๆนหน่อยนะโอ้โอจะดูหนังสั้นก็แล้วจะลักหนังยาวชีวิตไม่ได้แล้วนะพูดถึงเทนสั้นเนี่สมัยโบราณเมืองเชียงใหม่เนี่ยมี หลวงพ่ออหนึ่งประเทศดีพอนที่วันขึ้นธามมะก็มีโยมกระซิบอย่างนี้แหละบกว่าหลวงพ่อว่าที่ขอสั้นๆหน่อยนะหลวงพ่อบอกได้ได้พอตั้งนามเสร็จิน์นามวสาวคั้งจบท่านบอกว่าอดแล้วก็ลงธาารรมะเลยคือไปต่อเองอันนสั้นที่สุดแล้ว ก็เหตุใจเนาะโดยทางต่างจังหวัดแต่ว่ายัางไงเราก็ความตายมีข้างเดียวแต่ละคนเนาะวันนี้เราก็มาเยี่ยมหลวงศุภคุณสมเนาคุณหลวงสมเนาก็แปดสิบแปดสิบก็เท่าพู้เสียเจ้าผู้เจ้ า, าของเราก็บริพันธ์แปดสิบถือว่ามาส่งมาเยี่ยมมาเยือนหะน้าที่สำคัญคือมารับกติธรรมบางอย่างบางเรื่องวันนี้ก็พยายามพูดให้สั้นที่สุดเพื่อให้ได้รับสาระ เมื่อกี้ก่อนเข้าสล า, าบอกมีคนจะปรับด้วยนะคุณพ่อมาช้าบอกปรับตังด้วยนะบอกไปแจ้งความความค่อยปรนะับแจ้งความร้องทุกก่อนคดีวันนี้เป็นวันพระวันพระใหญ่วันสิงใหญ่พูดถึงพระก็อนัึกถึงสิงเป็นหลักก็แปลว่าอะไรแปลว่ า, วาความเป็นพระหรือ ด, ดูความเป็นพระนี่ก็ดูที่สิง ญาติยโยมเร้เข้าใจว่าอุที่ธรรมถ้ดูที่สินเราดูได้ว่าพระดีพระไม่ดีก็อยู่ที่สิ่อยู่ ก, กันกระทําแต่ถ้าอยู่ที่ธรรมเรารู้ได้อย่งไรว่าท่านคั้นไหคันนี้คันนู้นหนึ่งสองสามสีสดาสกาตคาณาคางมันดูไม่ได้มันบอกกันไม่ได้ฝันตัวสิ่งไม่ไปดูชีวิตพว้เราก็เช่นเดียวกันตัวชีวิตของพวกเราพวกเราก็เคยที่มานั่งทั้งหมดนี่ หลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายอายุดังนั้นคําว่าวัดในตี่นี้ก็อยากให้ฝากผู้เราทุกคนว่าเมื่อเข้ามาวัดนให้มันเข้าใจตรงกันทันทีนะไปวัดไหนก็ได้และคนวัดไปวัดเลยก็ได้ถ้าเข้าใจคำามาวัดถ้าไปแล้วมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งวัดกายตัวเองได้อย่างนี้เรียบร้อยสงบเงียมเนะี่ยคือวัดกาย กายสงบเร็วกายสงบสองวัดวาจาคือปากตอนนี้สงบสิ่งเียวที่ร้อยไม่พูดไม่จาสามคือวัดใจนี่คือการเขาวัดวัดอย่างนี้วัดกายวัดวาจาวัดใจของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเราเดือดร้อนทุกวันก็เพราะอันนี้แหละกรรมก็เกิดจากอันนี้แหละเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากกายกรรมคือกันกระทาไม่ใช่ผลกันกระทำที่เราเข้าใจ การกระทําทุกอย่างเกิดจากสามอย่างนี้ที่มีอิทธิพลต่อพวกเราเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ตัววัดว่าเราเป็นอะไรได้เราจะเรียกอะไรได้ในมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกวันนี้เราสเพสตาโดยภาพรวมสเพสตานะั้นไม่ได้แปลว่าสัตว์เดรัจฉานนะสะเปสตานะั้นหมายถึงว่าคนที่ยังติดยังคล้องอยู่ในภพในชาติยังเวียนว่าตายเกิดหนึ่งเขาเรียกสเปสตาหมดเลยทีนี้คําว่าสัตว์เนี่ยความหมายของเราหมายถึงสัตว์เดรัจฉาน อันนี้หนักหน่อยนะแต่นี้ความแตกต่างเราจะดูตรงไหนว่าแต่ละชื่อที่เราเรียกสัตว์คนมนุษย์พระเอาอะไรประตัววัดเอาสิ่งมาเป็นตัววัดถ้าแค่กระทำสี่ประเภทนี้หรือว่าพระสงฆ์องค์นัยนะถ้าศินสักตัวก็ไม่มีเอาแค่สินห้าเป็นบรรทัดฐาน สินสักตัวไม่มีเรานึกถึงใครก็สัตว์โดยธรรมชาติไงหมูหมากระไก่ช้งางม้าวัวควายเขาไม่มีอะไรเลยออย่างนั้นอะ่อะนเล็บไรเต็มปากสองก็คือคนสูงขึ้นมาหน่อยคนก็คือมีสินบ้างไม่มีสินบ้างอันนี้คือคนนะคำว่าคนปนไปกันไปอย่างนี้แต่ถ้าวัานไหนไม่มีเลยเป็นคนไม่ได้นะ ต้องท่องในตัวเองว่าเออวันนี้สินสจ้ตัวก็ไม่มีรักษาไม่ได้ตัวนะอย่าไปเรียกตัวเองคนนะไม่ได้นะหมายถึงอันนี้ไม่ใช่รูปร่างหมายถึงใจใจไม่ได้เป็นคนแต่นี้ถ้าวันไหนสินเราครบสินห้าเนี่ยจะรับไปนะทุกครั้งที่มีงานพระประจักให้อย่างเงี้ยให้ของดีนะนี่ของดีที่สุดแล้วไม่ใช่พระเครื่องของ ข, องของังนี่ของดีที่สุดแล้วถ้าวันไหนเรามีครบนาะ เป็นมนุษยนะ์มนุษย์มณะอุตสาแปลวใจสูงสูงกว่าอะไรสูงกว่าคนเมื่อกี้เนี่ยสูงกว่าสัตว์เมื่อกี้ยคําว่าสูงคืงอด้านของเขาจิตใจไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่คือความแตกต่างแล้วสูงกว่านั้นอีกพระแปลว่าประเสริฐวระพระต้องมีศีลครอบศีลเยอะศีลต่อเนื่องในคําว่าพระอยู่ถ้าจะดีไปกว่านั้นอีกมันอยู่ที่ธรรมละทีนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่คุณธรรมโสงไปกว่านั้นมันอยู่ที่คุณธรรม เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าสินห้าที่เรารับไ ป, ไปที่ไหนก็เจอพระก็ให้แต่สินอยู่เนี่ยยวก็รับไปรับแล้วครับไม่ทันตะไคร่เดี๋ยวก็เสร็จไปเดี๋ยวจ้อใจเจ้อยใจอีกแล้ ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, วมันวัดอะไรไม่ได้ละเนี่ยเพราะต้องระมัดระวังอันนี้คือเรามาวัดแล้วคือวัดกายรเราใจใจกับวัดที่สินนี่แหละเบื้องต้น น, ะนั่นคือสินนะทีนี้สินมันใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับคนเป็น สนคนเป็นไม่ได้สอนคนตายตอนนี้ไม่ได้สอ น, นลุงําเนาลุงจำเเป็นหนังเป็นกรทีศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นภา พ, พยนต์ตัวอย่างที่ใช้ให้เราดูว่าตั้งแต่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย น, นี่คือกระบวนการชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าสุดท้ายจะต้องจบอย่างนี้เพราะหลังจากนั้น่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่คําตอบ คำตอบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีสิทธิ์ครบคือความเป็นความคนมันแยกกับความเป็นคนนะ่ะถ้าศิทไม่มีสักตัวจิตมันก็จะไหลไปตามนั้นนะ่หมายว่าจิตของเราเนี่ยถ้าศิทิ์ไม่มีสักตัวมันก็จะไหลไปตามกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นคณะเรียกว่าภูมิจิตมันก็จะไหลไปตามนั้นนะ่ะตามภูมิตามชั้นของจิตเนี่ยทางศาสนาเราสอนละเอียดสอน ije od, ije od, เะเอียดมากๆ ส่วนจิตที่ได้อัดได้ทำดํำในภูมิเป็นชั้นได้ชานเนี่ยบางจะไปสูงสูงกว่านี้แต่ยังไงก็กลับมาที่เดิม น, นี่คือองค์เราเรียกกันเรียกว่าพบหรือว่าภาวะคือที่อยู่ไว้คือการ ม, มาพบรูพบร้รรรพบอรู้พบย่างที่เราเคยอ่านในสมัยใจโฟร่วงก็คือสอนเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องโลกเรื่องสวรรค์ก็สอนดูแค่นี้ต้องการให้เน้นของผู้เห็นผู้นี้เพราะนั้น พวกเราทุกคนที่โชคดีที่ได้มานี่ยินได้ฟังแล้วโอปนญญิโกคือน้อมรหกษาตัวเองอย่างนี้เป็นประจำเราถือว่าเราโชคดีวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราถือว่าเราโชคดีมากๆแล้วเทศเสร็จแล้วพราก็จะให้ธรรมะอีกแต่เราฟังไม่รู้เรื่องพราก็จะให้ธรรมะสามคำเป็นเบื้องต้นขึ้นหนึ่งว่ากุศลานธรรมมาเดวทางกจวา สองอากุศลธรรมะสามอาพยากตาธรรมะนี่คือสภาวะคนสภาวะของคนอยู่แค่นี้คือหมายถึงจิตนึงจิตถ้าไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลถ้าเป็นอัพยากตาธรรมะคือกลางๆเฉยๆนี่มีเพราะฉะนั้นสภาวะจิตของมนุษย์เราคนเราทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้คือถ้าไม่สุขมันก็ทุกข์ทางกาอธิบายต่อสุขะ ก็ก็จะสวดไปจนครบก็แปลว่าจิตหรือว่า ใ, ใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วนะตัวใจจริงๆครับมันไม่ ม, ไมีสุขก็ ม, มีทุกข์คำว่าใจเหมือนกับพวกเราสามคนตันนี้สามคนคือเจ้าทุกข์เจ้าทุกข์เจ้าเจยใจคือคนกลางตอนเนี้สมมตินคนหนึ่งเจ้าสกคนหนึ่งเจ้าทุกข์ถ้าคุณไปคุยกับเจ้าศกศกมันก็อยู่ในใจคุณ คุณหันไปคุยกับเจ้าทุกข์อาจจะทุกมันก็อยู่ในใจของคุณเราจะได้สึกใจทุกข์ใจจริงๆแล้วใจเขาเป็นกลางนะคือเขาคุยได้ทั้งหมดอ่ะสุขมากเขาคุยได้ทุกข์มากเขาคุยได้แต่เราไม่รู้สภาวะจริงๆนะแต่พระเจ้อสอนสอนละเอียดสอนนะครับว่าให้เราวางคืออย่าไปคุยกับเจ้าสุขอย่าไปคุยกับเจ้าทุกข์มากไปให้เหลือแต่ใจ มันก็มีสุขใจมันก็มีทุกข์ใจแล้วแต่ใจมันค่อยๆ อ, อยู่ได้หมดอ่ะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องการให้เราใจเราเป็นกลางเราเที่ยวใจเป็นกลางเรียวอุเบกขาคือวางวางทั้งสุขและทุกข์เพราะนั้นคนที่จะไปไกลไปกว่า น, นี้เช่นพระพุทธเจ้าท่านวางได้ทั้งสุขและทุกข์จะเรียกว่าพน้นเพราะนั้นก่อนที่พระองค์จะปริทิพานเนีพระอนุท่าท่านเคยถามว่าตอนนี้ สภาวจิจิตของพระองค์เป็นยังไงปุถะท่านจำนำดึงชานท่านอารูปธาตการเข้าชานแต่ว่าตอนนี้พระองค์เข้าชานที่หนึ่งสองสามสี่ทุรุชานแล้วก็อรูประชานตอนนี้พระองค์ออกจากอรูประชา น, นอออกกาชาแล้วก็แปลว่าไม่ติดไปข้องเองเห็นไหมไม่แต่ชานด้วยก็ไมข่ข่อง ก, ก่อหอชานแล้วก็คือนั่นคือวานิพันธ์นี่เพราะนั้นจิต ข, ของเราถ้ายังข้องนั่งติอยู่กับยังคุยอยู่กับศกอยู่คุยอยู่ทุกกับปโทษไม่ได้เพราะเราไปคุยกับเขาเอง จิเราไปข้งของเขาเองมารู้ว่ามันเป็นทุกข์คิดอย่างนี้เป็นทุกข์พูดอย่างนี้เป็นทุกข์ทำอย่างนี้เป็นทุกข์เราก็ยังทําอยู่ะเพราะเราจะไปโทษใครตร ง, งข้ามถ้า เ, าเออเราไปเปลี่ยนเลยคิดยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้ทําำงี้แล้วเรามีความสุขคิดยังไงก็ได้พูดยังไ <stink. S 1> งทําำงี้ทาแล้วเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้ อ, น น, อนนั่นัน้คือเป้าหมายถ้าเราไปเข้าใจสภาวะอย่างนี้แล้ว การปฏิบัติธรรมก็ง่ายดังกล่าวเมืองขลางต้นอย่างนี้เราบอกว่าไม่ต้อมาวัดนะอยู่ที่บ้านกับวัดกายตัวเองให้ได้วัดวาจาตัวเองให้ได้วัดใจนนันั้นนั่นคือการเข้าวัดแล้วแต่เข้ามาวัดอย่างนี้กับโอ้โหเดี๋ยวก็บุดไว้เข้ามาเอาอะไรก็มาลุมาแล้วไม่ได้ประโยชน์มาก็ตำหนิผ้ามัง่งตำหนิอันนั้นมัง่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแทนที่ประโยชน์เป็นโทษไปอีกวันนั้นถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้ว เราจะเข้าใจว่าโอศาสนาพุทธ เ, เ, เราสอนละเอียดสอนเรื่องธรรมดาสอนเรื่องพื้นพื้นสอนเรื่องที่เรามีอยู่ในชีวิตประจําวันนนะไม่ไดสอนมันจนไม่สามารถที่เราคิดคิดไม่ได้ด้วยตนเองสติปัญญาที่เรามีอยู่เราสามารถคิดได้แต่เราไม่ใช้เราไม่ใช้เราไม่คิดเรากลับไปใช้สัญญาคือความจําเราไม่ได้ใช้ใช้ปัญญาที่มีอยู่ จริงๆถ้เราเข้าใจที่เป็นสัญญาสัญญาเช่นเรียนดีเรียนเก่งอะไนั้นมันสัญญาดีนะไม่ได้ปัญญาดีนะพจนปัญญาดีไม่ใช่ขนาดอย่างนั้นมางคนละอย่างปัญญาทางศาสนาคนละอย่างเพราะนั้นปัญญากับสัญญาคนละเรื่องอันนี้ก็ฝป่าพวกเราทุกคนวันนี้ก็สั้นแล้วนะดีนะแม่เขาบอกอดแล้วก็ลงเนี่ยหลวงพ่อเขาคิดอยู่เออเขาบอกสั้นหน่อยนะหลวงพ่อนะน้ำอดศรัทธาแล้วก็อดแล้วก็ลง แล้วหลวงพ่อคงจะได้อดกันเทศด้วยเลยใช่ไหแต่หลวงพ่อก็อดนะกันเทศนะผ mm hmm. อก็อันนี้คือสารธรรมสําหรับฝากเราก็เป็นข้อคิดสะกิดใจจะได้โอปนาจิโกน้อมนําขึ้นมาแล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเดยเฉพาะจริงๆครับว่าสาัตว์คนมนุษย์พระในต่างกันยังไงเอาไปเป็นดวชีวะเออเราจะได้คิดได้เออต้องระวังนะวันนี้ไม่มีศีลสักตัวเนะี่ยเป็นคนไม่ได้นะออื มบ้างไม่บ้างเป็นคนก็ยังดีถ้ามีเขาเออเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือไปนั่นคือเป็นพระเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในร่างกายไอ้คาว่าเป็นพระไม่ได้เป็นพระเหลืออันนี้ไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจอันนี้ผมพระเหลืองมากผมแต่ใจไม่ได้เป็นพระแต่ยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่คนตรงๆอย่างนี้มันก็ไได้แต่เป็นสัตว์เป็นสมมติเฉยๆที่เรามีมปนสมมุติเท่านั้นะก็ฝากพวกเราสั้นแค่นี้ถือว่าสั้นแล้วนะก็ขอพัฒนาความดีที่ พวกเราทั้งหลายได้ทำบำพลในวันนี้นวันนี้มีเจ้าภาพก็คือสำนัก ง, งานสาหากรจังหวัดอุตรดิต์ลูกหลานกัลยาณมิตรทุกคนที่มาร่วมงานงในวันนี้ขอคุณความดีที่เราทำในวันนี้ทั้งหมดจงถึงแก่บรรพกรของพวกเรามีพ่อแม่ปู่ยา่าทยายผู้อุปถัมภ์ทั้งหมดรวมทั้งลุงสมเนาเป็นต้นขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบาเพ็ญในวันนี้ก็ขอเูลมาการแสดงทางพ่อสุควนไกรเวลาอยี่ังก็มีริกาชนนี้